พระธรรมเทศนาแผ่นที่94าลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่า น, นาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่21มิถุนายน2559มีชื่อเรื่องว่ายึดสิ่งดีเป็นที่อาศัยวันนี้เป็นวันที่21 มิถุนายนพุทธศักราช2559เมื่อวานหลวงพ่อออกจากวัดตีสี่ตีสี่สิบกวนาทีมรุกรานนะไปขอนแก่นงานของที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังนะงานนายกวันเกิดของท่านนายกอ บ, บจออท่านคงจะเป็นคนดีของจังหวัดขอนแก่นนะท่านเป็นมาทั้งห้าสมัย ลูกเขยของท่านก็นมาเนี่ยแไอ้โตเสียโตมาสร้างสะพานให้กับเราถ้าบริษัทมีรับเหมาก่อสร้างเราก็เห็นว่ามีน้ำใจใวันเกิดของท่านพวกพ่อเอาหนังสือไปแจกเมื่อวานแล้วก็ก่อนที่จะฉันอาหารก็มีเนี่ยพ่อได้กล่าวปรารบเรื่องงาน ไม่มากเพราะคนมากแล้วก็มีครูบาอาจารย์มีท่านเจ้าคุณราดวรารังการเจ้าคณะจังหวัดอุดรเป็นประธานเมื่อวานพอฉันเสร็จแล้วก็กลับมากลับมามาฉันน้ำนิดหน่อยก็ขึ้นไปผูก้อนคื่ว่าผูกอนบ่ายสามโมงครึ่งจะมีการเจริญพระพุทธมนต์ ก็มีครูบาอาจารย์มามาก ม, มีหลวงปู่บุญมามาง น, น้องบัวลํำพูที่เป็นพระผู้เฒ่าเป็นพระประธานเมื่อวานประธานการสวดมนต์แล้วก็มีพระมากเมาื่อวานพระโดยมากในถิ่นอีสานของเรามีทศเจ้าอาวาดทั้งหมดพอสวดมนต์จบแล้วก็ติดตามปกติในใบดีกาของหลวงพ่อก็สิบหกสิบหกนาฬิกาสิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาฬิกาก็หกโมง แต่พอเอาเข้าจริงพอสวดมนต์เสร็จแล้วก็เขาคนนิมนต์แสดงธรรมเลยกับประมาณสักสี่โมงกว่าๆมะมือวานนะหลวงพ่อก็ได้แสดงเทศเมื่อวานนะปลารบเลืองงานบ้างในศาลาศาลาพระประธานพานอนนะ <c oughs> ก็มีคนไม่มากพอเสร็จแล้วก็บางคนก็ยังกำลังคืบเพื่อนไปเพราะว่า ในกำหนดการก็วันส8บแดนาฬิกาแต่หลวงพ่อเทศจบลงมาแล้วกว็ดีเร็วดีแต่วันนี้หลวงพ่อจันทร์ขันเสร็จหลวงพ่อจะได้เดินทางลงกรุงกรุงเทพนะลูกหลานไปคราวนี้ก็คงจะเกี่ยวกับงานพระราชทานเพลิงเชรีระสังขารของหลวงปู่ทองวัดอโศกการามที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ ในตระกูลของพระกรรมฐานเป็นลูกหลานของท่านพ่อลีธรมรมทโรวัดอโศการามแต่หลวงพ่อคงจะได้ลงไปในงานนี้และงานอย่างอื่นด้วยมีสองสามงานแต่ถึงยังไงพระครูบาทั้งหลายที่อยู่ในวัดอันไหนอันไหนหลวงพ่อก็สอนดีหมดแล้วนะ ไม่ได้ตำหนิว่าตัวเองไม่ได้สอนอะไรให้พระลูกพระหลานน้องนุ่งลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายตลอดถึงประชาชนที่มาเกี่ยวข้องมีแต่สอนเรื่องดีๆทั้งนั้นหลวงพ่อไม่ได้สอนเรื่องเร็วๆในการคิดในการกระทําในการพูดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีทั้งหลายที่หลวงพ่อสอนนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายนํามาประพฤติปฏิบัตินะอย่าไปเอาสิ่งที่มันเร็ว มาใช้ในวัดของเราการอยู่ด้วยกันถึงหลวงพ่อจะออกไปจากวัดหลวงพ่อก็ยังเป็นห่วงกลัวมันจะมีอะไรเกิดขึ้นภายในวัดอันนั้นคือความเป็นห่วงเหมือนกับพ่อแม่ออกจากบ้านต้องมีการสั่งเสียบอกกล่าวลูกๆูกให้ดูน้ำให้ดูก๊อกน้ำนะให้ดูไฟนะให้ดูอะไรต่อไม่อะไรในภายในบ้านเพื่อ ความรอบคอบของลูกๆหลวงพ่อลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันปยเลยเพราะว่าเป็นห่วงกลัวจะทำอะไรลงไปเสียหายในเมื่อเสียหายเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่เฉพาะวัดมันเสียหายวงการพระพุทธศาสนาเสียหายมาถึงหลวงพ่อที่ออกไปจากวัดอีกต่างหากมันขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะรวนแล้วจะได้รับการศึกษามาดีทั้งโลกก็ดี เข้ามาสู่วัดวาศาสนาหลวงพ่อทุกเช้ากอกเช้ า, ชากอกเย็นกอกใส่ใจให้เป็นพระที่ดีมีคุณนธรรมในจิตใจให้ตังอกตั้งใจภาวนาเนอะตังอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้บําเพ็ญคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจไม่ถึงร้อยปีเราก็ต่างองค์ต่างไปละหลวงพ่อก็อายุเท่าไหระ่ะจะอยู่นานไปสักเท่าไหร่มีแต่บอกลนนลกล่าวแนะนําลูกหลาน จัตถายาจูงให้ประกอบคุณงามความดีคุณงามความดีนั่นแหละจะเป็นเครื่องเคืือกุนหนุนพวกเราพวกเราจะเดินจะพึ่งอะไรถ้าไม่พึ่งความดีคุณงามความดีจะพึ่งอะไรถ้าพึ่งความชั่วนีแต่ตกต่ําไปเรื่อยๆนะถ้าพึ่งความชั่วนี่เกิดอยุคนี้เป็นมนุษย์ก็เข้าคุกอย่างน้อยก็ถูกเขาด่าเขาว่าดูถูกเกียจย่ำไปนะักสถานที่ใดถูก ถูกเขาดูเขาดูถูกเกียรติชังเพราะอหรเพราะาทำไม่ดีถ้าทำดีนั่นแหละไปที่ไหนที่ไหนไหนเชิดหน้าโชว์ตาเป็นที่ยกย่องนับถืออยู่ที่ใดก็สบายใจเพราะอะรเพราะทำแต่คุณงามความดีนี่แหละ อ, อย่างหลวงพ่อไปนะ่สถานที่ใดหลวงพ่อไม่ได้ยกยอปอปั้นตัวเองนะไปสถานที่ใดมีแต่ศรัทธาญาติโยม ยกมือไหว้เคารพ อ, อ, อยากจะเข้ามาใกล้อยากจะมาถ่ายรูปด้วยจนบางทีจนลำคาญลำคาญกับการถ่ายรูปแต่จะทํำยังไงได้ล่ะออบางทีทําอำดุดาว่ากาวไปอย่ังไงล่ะแต่ตามจริง เ, เขาก็เจตนาอยากจะได้เ อ, อแต่มีแต่บอกว่าจะใครก็าตามถ้ามาถ่ายรูป ก, กับหลวงพ่อนะต้องเป็นคนดีนะลูกหลานนะ ลูกหลานใครก็ตามที่จะบวชเป็นพระนวกะมาถ่ายผู้รูปกับหลวงพ่อเนี่ยต้องเป็นคนดีนะอไม่ใช่ว่าถ่ายรูปเสร็จแล้วหลวงพ่อนั่งเธอเลยโปรดในสูดเขาเอารูปสมัยบวชหรือสมัยมาถ่ายรูปกับหลวงพ่อเนี่ยใส่กองแขนให้กอดซ้ออถ่ายทั้งที่หลายถ่ายรูปกับหลวงพ่อทั้งที่จะเป็นคนดีเอเป็นคนเลวไปได้ ถ้าใครก็ตามนะทาให้มั่นใจในตัวเองนะอย่ามาถ่ายลูกหลวงพ่อนะอทำให้หลวงพ่อเสียหายได้พราหลวงพ่ อ, พอนี่สอนแต่คุณงามความดีสอนแต่เรื่องดีๆให้ลูกให้หลานให้คณะท่ายญาติโยมสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำ เ, าเราเกิดมาทั้งทีชีวิต เ, เราเป็นพระในพระพุทธศาสนาเราต้องการอะไรอกีกปิณฑบาตฉันไม่พอเหรอเราต้องการอะไรอกีกโลภโหโมคนะาต้องการอะไร เพอได้จะตกปัจจัยมันเอาไปใช้อะไรปัจจัยที่เขามาถวายมานั่นเขาจบแล้วจบอีก อ, อธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกมรรคผลนิพพานเราเอาไปใช้เอาไปใช้อะไรถูกต้องไ้มเป็นธรรมไ้มสิ่งเหล่านี้ให้โอปัญญิกโมองตนเองอยู่ตลอดถ้าไม่มองตัวนีนะ้ลืมตัวได้ง่ายๆนะลืมตัวได้ง่ายๆเพราะอะไรเพราะว่าเป็นปัจจัยของตนเอง คนที่เขาถวายมานะเขาจบใส่หัวแล้วจบใส่หัวอีกอธิษฐานมรรคผลนิพานนพานนะิพพานปัจโยโหตุนะ อ, อนาคเตกาเรขอให้ข้าพเจ้าได้สวรรค์นิพพานที่ถวายจะจตุปัจจัยตัวเองเอามาใช้เอามาใช้อะไรสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราทุกทุกท่านนะให้ดเูเราจะส ะ, สะแสวงหาอะไรปัจจัยเหล่านั้นบินทวายฉันภาวนา หลับตาภาวนาเดี๋ยวมันมาเองหลวงพ่อไม่ได้เห็นไม่ได้ถือว่าปัจจัยเป็นเรื่องใหญ่แต่มันมาล้วก็ใช้บริการจัดการให้ไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรม อ, อย่างเมื่อวานอาพอเทศน า, าการท่านก็ถวายปัจจัยม า, เ, าเช็คมาหนึ่งมืนบาทหลวงพ่อเออเอ า, เอาหมอบคืนะเนาเผื่อได้ใช้ ในงานพราะงานอีกยังหลายวันจึงจะเสร็จได้เลหลวงพ่อโดยมากก็ไม่ได้เอามีแต่เอาของที่ระลึกของท่านท่านก็ถามว่าท่านทำย่ามมาสี500า่ห้าร้อยใบท่านอาจารย์จะเอาไม้ยังเหลืออยู่เออเอาเอ า, เอามาแจกให้พระพระพระเกานะ่าคงจะประมาณสักสามสิบใบน่าจะพอแต่พระใหม่พระธรวมกะไม่ให้ละเพราะมันเอาไปแล้วก็ไปศึกเอาไปทำไม เอามานุมานออกมา30มบใบแจกกันนะพวกพระเก่านะที่ระลึกที่ฉลองพระภูก้อน่ะแต่มันก็เป็นสีนะั่นแหละสีสีเหลืองแต่เอามาย้อมก็ได้เอาบอย้อมมาเป็นสีกลักขึ้นมาใช้ได้ถ้าใครไม่ต้องการสีเหลืองนะนี่แหละสรุปแล้วก็คือให้เป็นคนดีให้เป็นพระที่ดี ไปอยู่ไปนะัดสถานที่ใดจะไปแสวงหาโลภโ ม, โมโกนาะ เ, เรามีอยู่มีฉันก็พอแล้วถ้าเมื่อมีปัจใ ย, ยสีมากให้ใ ช, ใใใช้ให้เกิดประโยชนเ์เราเป็นพระพุทธศาสนาเราไม่ใช่โลอไม่ใช่ได้จะตกปัจใจนั้นนอคิดพ่อถึงพ่อแม่ก็ไม่ว่ากันนะพ่อแม่ตกทุกข์รยากเราต้องช่วยเหลือเพราะเราเป็นพระ แต่ให้พี่ให้น้องให้วงศาคณะญาติทำมาค้าขายนู่นเอาไปออกไปข้างนอกอันนั้นไม่ถูกเป็นอย่างมากเพราะอะไรเพราะไม่ใช่เงินของทางนอกมันเป็นเงินของพระพุทธศาสนาสิ่งเหล่านี้พวกเราคิดนะพระเนนทุกองนะวันนี้หลวงพ่อว่าจะไม่พูดยาวหลวงพ่อก็พูดยาวยาวพอสมควรตอนนี้ไปรับพรในทะี่นี่นะ หลวงพ่อฉันยังหันเสร็จแล้วพ่อจะได้เดินทางนะวันนี้นะ <c oughs> ไปขึ้นเครื่องลงกรุงเทพวันนี้ยเครื่องออกห้าโมงสิบเอ็ดโมงห้าสิบนาทีหลวงพ่อบอกว่าฉันจังหันเสร็จน่าจะพอใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่ากเดินทางเกือบสองชั่วโมงนะ่ะจากวัดของเราไปถึงสนามบินนะเปลี่ยนสาเสียแต่มันฝนตกรถติดนะมันก็มีเหมือนกันนะบางครั้ง เราก็ต้องเผื่อๆไว้เหมือนกันนะ่ะพวกเราเนอะหลวงพ่อไม่อยู่ก็ตั้งใจภาวนานะพวกอยู่ในครัวพูกที่มาภาวนากระนั่นงภาวนาถ้าหลวงพ่อไม่อยู่คุณแม่ชีแก้วว่าอย่างนั้นนะครูบาอาจารย์อยู่วิตกกังวลจะทํานู่นจะทํานี้ถวายท่านเป็นวิตกงังวลแต่ครูบาอาจารย์ไม่อยู่แล้วมีแต่ครูบา ท, ทั้งหลายแหลยก็ต่างองค์ก็ต่างทําตามหน้าที่เราก็ทํา ทำถวายครูบาอาจารย์แต่ไม่ไม่วิตกกังวลเหมือนกับห ล, หลวงตายังอยู่นะคุณแม่ชี้แก้วว่างี้ยพอคุณแม่ไปแล้วก็เอาทั้งกภาวนาของท่านอืคืนที่ท่านได้สาเร็จมรรคผลนะเนะนี่แหละท่านก็ได้ภาวนาจุดนี้แหละเอาทั้งคืนเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะกาหลวงพ่อไม่อยู่ก็ทั้งอกทั้งใจภาวนาของพวกเราทั้งฝ่ายพระก็เหมือนกันนะนะั่ะ เร่งภาวนาเร่งความภาคความเพียรของใครของเราตังอบุบตังใจสมาธิเราแต่ได้ยินแต่จิตสงบจิตสงบมันเป็นยังไงวะดูทีบ่บังคับมันจะตายหรือไม่ให้จิตสง่งออกไปข้างนอกทดลองแล้วสิหัดฮุดสู่ดูสิในฮุดสู่ขึ้นมาพอเราชนะครั้งหนึ่งเท่านั้นะจิตใจของเราได้รับความสงบเท่านั้นอ่ะโอ้ณติสันติพลังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจริงอย่างที่พระพุทธเจา้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดจริงๆเนอเราจะได้ริมรถพระธรรมนะถ้าเราไม่ทําใครจะทาให้กับเราคนอื่นทาก็เป็นเรื่องของคนอื่นเขาต้าตัวเองไม่ทากัเท่านั้นแหะเพราะนั้นพวกเราต้องทาเองนะ